วันนี้เป็นวันเสาร์ที่23ธันวาคมพุทธศักราช2566เป็นวันที่ท่านสาธุชนพุทธบาิษัตผู้ฝ่ายธรรมมีความตั้งใจที่จะมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาศึกษา มาเรียนรู้พระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการเสริมศรัทธาความเชื่อในพระพุทธรธรรมพระสงฆ์และเพื่อเป็นการเสริมปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะได้นําเอาไปใช้ในการกำจัดปัญหาต่างๆ ของชีวิตคือความทุกข์ต่างๆของใจให้หมดสิ้นไปเพื่อจะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดความรู้ที่จะทำให้เรานั้น <c oughs> มีศรัทธาและมีปัญญาเกิดขึ้นก็คือรู้ในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ให้เรารู้กันว่าพระพุทธเจ้าได้ส่งสอนว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของพวกเราเป็นของที่สำคัญกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆ บุคคลต่างๆหรืออะไรก็ตามที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นไม่มีความสำคัญเท่ากับสิ่งนี้สิ่งที่พระเจ้าทรงตัดว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดกับพวกเราก็คือใจของพวกเรานี่ทรงตัดว่าใจเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่ ทำให้เรามีความสุขไม่มีความทุกข์กันถ้าเรารู้จักทำใจให้มีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็จะดีไปหมดถ้าเราไม่สามารถทำใจให้เรามีความสุขได้ปล่อยให้ใจมีแต่ความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกนี้ก็ไม่ดีไปหมด เพราะว่าความสุขนั้นที่แท้จริงมันอยู่ที่ใจของพวกเราทุกคนไม่ได้อยู่กับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญหรือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัพต่างๆสิ่งเหล่านี้ <c oughs> มันไม่ได้เป็นสุขไม่เป็นทุกข์ในตัวของมันเอง แต่ใจของเราไปสุขหรือไปทุกข์กับมันเท่า น, นั้นเองดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราให้ความสำคัญก็คือให้ความสำคัญกับใจของเราเราต้องพยายามดูแลใจของเราให้มีความสุขปรสศจากความทุกข์ให้ได้ถ้าเราสามารถทำให้ใจเรา มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์แล้วสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นจะไม่มีความหมายอะไรกับใจของพวกเราเลยปัญหาของพวกเราก็คือเราไม่รู้จักวิธีการทำใจของเราให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ แต่เรากลับมักจะไปทำในทางตรงกันข้ามกันเพราะเพราะว่าเราขาดปัญญาเราไม่เห็นสิ่งที่เราคิดว่าจะทำให้เรามีความสุขจะทำให้ใจของเรามีความสุขนั้นความจริงแล้วกลับทำให้ใจของเรามีความทุกข์เพิ่มขึ้นไปอยู่เรื่อยๆเพราะว่า เราไม่เห็นความจริงของสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขของเราไปเรื่อยๆอะไรที่เราคิดว่าเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับพวกเราไปเรื่อยๆก็คือโลกกระทนี่เองโลกกระทำมก็ได้แก่ลาบยศสารเสริญและ รูปเสียงกิริยโสดโหตภชนิดต่างๆที่เราคิดว่าถ้าเราได้มาแล้วจะทำให้ใจของเราเี่มีความสุขไปตลอดแต่มันไม่ได้เป็นไปตามที่ใจเราคิดกันเพราะสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นของที่ไม่แน่นอนนั่นเอง มันเป็นของที่อยู่ภายใต้กฎของไต ร, ล, รลักษณ์ไตรลักษณ์แปลว่าคุณสมบัติสามประการด้วยกันของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมีการเกิด ขึ้นมีการเจริญเติบโตและมีการเสื่อมและมีการสิ้นสุดลงไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งและเมื่อมีการเสื่อมเกิดขึ้นถ้าเราไปยึดไปติดกับสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ความสุขกับเราเวลาเกิดความเสื่อมความสุขที่ได้จากสิ่งต่างๆเหล่านี้ ก็จะหมดไปพอความสุขหมดไปสิ่งที่อยากทำให้ใจเราเกิดขึ้นมาก็คือความเศร้าใจความเสียใจความทุกข์ใจทั้งๆ ท, ที่เราไม่อยากจะเสียใจอยากจะทุกข์ใจอยากจะมีความสุขใจเพียงอย่างเดียวแต่เราก็ไม่สามารถห้ามความเศร้าโศกเสียใจ ความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นได้เวลาที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักที่เราให้ความสุขกับเราไปเพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากจะให้มันให้ความสุขกับเรานี้มันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของเราพระเจ้าจบอกว่ามันเป็นอนัตตาอนัตตาก็คือไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของที่ เราจะสามารถควบคุมบังคับให้เป็นไปตามที่เราต้องการไปได้ตลอดมันไม่ช้าก็เร็ว ม, มันก็ต้องมีการสิ้นสุดลงมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะนี่คือธรรมชาติของราบยศสรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะดังนั้นถ้าตราบใดถ้าเรายังไปเห็นว่า เราจะมีความสุขจากการได้ลาบยศสรรเสริญจากการได้เสพได้สมัมผัสกับรูปเสียงขีดรดโพสภะชนิดต่างๆแล้วเราก็จะต้องหนีไม่พ้นจากความเศร้าใจเสียใจหนีไม่พ้นจากความทุกข์ใจความกังวลใจเพราะว่าเราไปยึดไปติดกับสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะ เป็นไปตามความปรารถนาของเราได้เสมอไปนั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่พาให้เราต้องมาทุกกันอยู่ทุกวันนี้เพราะเราไม่เห็นตายรับในราบยศสรรเสริญในลูกเสียงกลิจลดผลช พ, พชนิดต่างๆนีเ่เราคิดว่าถ้าเรามีเงินมีทองมียศมีตำแหน่ง ได้เกียรติได้รางวัลได้การยกย่องสรรเสริญเชิดชูได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโถสัตว์ชนิดต่างๆแล้วเราจะมีความสุขไปเรื่อยแต่มันเป็นเพียงแต่มองความความจริงเพียงด้านเดียวด้านของความสุขจากลาบยศสรรเสริญสุข จากราบยศสารเสริญสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดโหตภะแต่ราบยศสารเสริญสุขรูปเสียงกลิ่นลดโธพภะนี้เขามีสองด้านมีด้านที่เรียกว่าเจริญและมีด้านที่เรียกว่าเสื่อมมีราบก็ต้องมีการเจริญราบและก็ต้องมีการเสื่อมราบเป็นธรรมดามียศก็ต้องมีการเจริญยศมีการเสื่อมยศไปเป็นธรรมดา มีสรรเสริญย่อมมีการนินทาไปเป็นธรรมดามีสุขจากลาบยศสรรเสริญจากลูปเสียงกลพพิ่นรสผดฉพาะก็มีทุกข์ที่จะเกิดจากลูปเสียงกลพพิ่นรสผดฉพาะเช่นเดียวกันอันนี้คือความจริงของสิ่งต่างๆทั้งหลของสิ่งต่างๆทั้งหลาย ที่พวกเราทุกคนที่เกิดมานี้มาสวงหากันแต่เราไม่ได้เห็นความจริงไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่ามันเป็นของที่จะต้องเกิดการเสื่อมไปเป็นธรรมดาและเมื่อเกิดการเสื่อมมันก็จะย่อมทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราเสียใจกันอันนี้เป็นเรื่องของโลก ที่เป็นมาอย่างนี้มาเป็นเวลาระยะเวลาอันยาวนานนานจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะนับวันเวลาได้ว่ายาวสักกี่แสนล้านปีมีอย่างนี้มาเรื่อยๆและจะมีอย่างนี้ไปตลอดไปเพราะนี่คือธรรมชาติของโลกที่มันเป็นอย่างนี้ของมัน แล้วเราก็ผู้ที่ไม่มีความรู้ความฉลาดก็จะหลงมาหาสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆมไม่ใช่แต่พบนี้ชาตินี้เพียงพบเดียวชาติเดียวหลังจากที่ร่างกายของเรานี้ตายไปแล้ว<ม>ใจที่มาใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกิ่นรโผลตภะนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็จะไปข้างหน้าต่อไปด้วยความอยากที่จะหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิจนรสนี้ต่อไปจึง ท, ทำให้ใจของเรานี้จะได้กลับมามีร่างกายอันใหม่หลังจากที่ใจของเรา ต้องใช้บุญหรือใช้บาปที่เราได้ทำไว้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่ไปก่อนพอตายไปปั๊บดวงวิญญาณของเรานี้ก็จะถูกบุญหรือบาปเป็นผู้ดึงไป ท, ทันทีถ้าฝ่ายใดมีกําลังมากกว่ากันถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญก็จะดึงใจเราไปรับผลบุญไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆ จนกว่าบุญที่ดึงเราไปนั้นอ่อนกําลังลงและไม่สามารถดึงใจเราให้อยู่ในสวรรค์ได้แต่บาปก็ยังไม่มีกําลังมากพอที่จะดึงใจให้ไปรับผลบาปได้ช่วงนั้นใจเราก็จะกลับมารับร่างกายอันใหม่มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาทําอย่างที่เราทํากันอยู่ในขณะนี้ต่อไปทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ที่เราเรียกกันว่าเป็นการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองกลายเป็นมนุษย์แล้วก็มาแก่เจ็บตายมาทําบุญทําบาปหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายที่ยังมีความอยากต่างๆอยู่ในใจก็จะไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทําไว้ขึ้นอยู่กับว่าบุญหรือบาปอันไหนจะมากกว่ากันถ้า บาปมากกับบุญใจก็ต้องไปอบายไปใช้กรรมในอบายไปเกิดเป็นเลราฉานบ้างเป็นดวงวิญ ญ, ญาณที่หิวโหวยที่เรียกว่าเปรตบ้างเป็นดวงวิญญาณที่มีความหวาดกลัวเรียกว่าอสุรกายและมีความมีเป็นดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตขยาบาะเครียดแค้นที่เรียกว่านรก จนกว่าบาปนั้นได้อ่อนกาลังลงและไม่สามารถดึงดวงวิญญาณให้อยู่ในอบายได้ดวงวิญญาณนั้นก็จะกลับมาเกิดใหม่ในเวลาที่เรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้เราก็จะมีมนุษย์ที่เรียกว่ามนุษย์ที่ดีและมนุษย์ที่ไม่ดีเพราะใจที่มาเกิดนั้นมีทั้งดีและไม่ดี ใจที่มามาจากสวรรค์ลงมาจากสวรรค์เป็นใจที่ดีเป็นใจที่ชอบทาบุญทำทานชอบรักษาศีลชอบหาความสงบจากการปฏิบัติจิตธมนาดวงวิญญาณเหล่านี้ก็จะพาให้มาเกิดเป็นคนดีเป็นมาเกิดแล้วก็จะมาทำบุญทำทาน มารักษาศีลมาทําคุณทําประโยชน์ให้กับตนเองและกับผู้ส่วนพวกที่มาจากบ่ายดวงวิญญาณที่ไปใช้บาปใช้กรรมแล้วกลับมาเกิดใหม่ยังมีนิสัยที่ไม่ดีติดกลับมาด้วยนิสัยที่ชอบทําบาปทํากรรมนั่นเองเมื่อมาได้ร่างกายของมนุษย์ก็จะมาเป็นคนไม่ดี นี่นี่คือเหตุที่ทําให้ในโลกของเรานี้มีคนทั้งคนดีและคนไม่ดีทั้งทั้งที่ทุกคนอยากจะเป็นคนดีแต่นิสัยที่ติดตัวมากับตนนั้นนิสัยมีมีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีเพราะนิสัยนี้เป็นสิ่งที่ได้สะสมมาในแต่ละพบแต่ละชาตินั่นเองยิ่งทําให้ เป็นทั้งคนดีและคนไม่ดีหรือเป็นคนกลางๆไม่ดีไม่ไม่ชั่วก็มีคือเป็นคนที่กลางๆไม่ได้ชอบทำบุญมากมายแต่ก็ไม่ชอบเบียดเบียนไม่ชอบไปทำร้ายไปทาสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้ mm hmm. ก็มีคนสามลักษณะที่มาเกิดในโลกนี้ mm hmm. แล้วก็มาทำบุญ mm hmm. ถ้าเป็นคนดี mm hmm. ก็จะมาทำบุญต่อ ถ้ามีเป็นคนไม่ดีก็จะมาทำบาปต่อถ้าเป็นคนที่กลางๆ ก, ก็จะทำกลางๆต่อไปบุญถ้าไม่มีความจำเป็นก็จะไม่ทำบาปก็จะไม่ทำ<ม>ก็จะเป็นแบบคนกลางๆไม่ดีไม่ชั่วไป<ม>แล้วก็จะไปแสวงหาความสุขจากโลกธรรมต่อไป เพอใจมีความอยากที่จะหาความสุขจากโลกประธรรมนั่นเองอยากหาความสุขจากลูกเสียงกลิ่นรสอยากหาความสุขจากราบยศสรรเสริญส่วนมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนี้เป็นคนที่ชอบหาความสุขจากการปฏิบัติจิตตภาวนาคือพวกที่เป็นนักบวชทั้งหลายนี้ ตรงนี้จะไม่ชอบการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถเพราะเห็นว่ามันเป็นความทุกข์มันเป็นของที่ไม่แน่นอนไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องเจอกับความทุกข์อย่างแน่นอนจึงพยายามดิกเลี่ยงไม่หาความสุขจากโลกธรรม ก็คือไม่หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากลูกเสียงจิตนลปุถทพระแต่จะไปหาความสุขจากการไปออกบวชไปหาที่สงบไปทำใจให้สงบเพราะเวลาทำใจให้สงบ ก, ก็จะได้ความสุขอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากโลกกระทำจากลาบยศสรรเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรถโผฏฐะตรงนี้เวลาตายไปเขาก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพชั้นเทพสวรรค์ชั้นเทพนี้เป็นสวรรค์ของพวกที่ทําบุญทําทานรักษาศีลห้าสวรรค์ชั้นพรหมนี้เป็นพวกนักบวชพวกที่ถือศีลแปดศีลสิบศีลสองร้อยยิบเจ็ดแล้วก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมแต่ สวรรค์ชั้นนี้ก็เป็นเหมือนสวรรค์ชั้นเทพที่มีความเสื่อมเป็นธรรมดาหลังจากบุญที่ส่งให้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหมนี้อ่อนกําลังลงหมดกําลังดวงวิญญาณก็จะมารอรับการมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มารับร่างกายใหม่แล้วพอมาเกิดก็จะมักจะไปชอบไปบวชกัน เป็นพวกที่ไม่ชอบมีสามีไม่มีภรรยาถ้าเป็นไม่ได้ถ้าไม่ได้บวชจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเรื่องกามอารมณ์เท่าไหร่ไม่ชอบเรื่องการเสพเลือกเสียงจิตลดโภชภะจะมักจะไม่มีสามีไม่มีภรรยาจะอยู่เป็นโสดไปหรือถ้ามีโอกาสได้พบกับอาจารย์ที่สอนทางจิตธรรมานา หรือมีที่ไปบวชได้ก็อาจจะไปบวชกันแทนนี่ก็คือลักษณะอกลักษณะหนึ่งของผู้ที่มาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบมีพวกที่มาเกิดเพื่อมาเสพกามเสเพลู้เสียงกลิ่นรสโผฏฐะเสเพลาบยศฉลเสริญแล้วก็มีพวกที่มาบวชเพื่อมาเสพความสุขจากความสงบของสมาธิ ของรูปประชาหรืออารูปประชานแต่ทั้งหมดนี้ดวงวิญญาณทั้งหมดนี้เป็นดวงวิญญาณที่ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆมาเกิดเป็นมนุษย์มาทําบุญทําบาปหรือมาหาความสงบจากการปฏิบัติสมาธิแล้วพอร่างกายแก่เจ็บตายไป ก็ไปรับผลบุญผลบาปที่ได้ทำมาไว้กันและพอผลบุญผลบาปนั้นหมดกำลังลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะมาเวียนไหว้ตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ยังหนีไม่พ้นจากการที่ใจจะต้องเจอกับความทุกข์เวลาที่จะต้องหนึ่งเวลาที่มาเกิดก็ทำให้ต้องเจอกับความทุกข์ทางร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเมื่อเกิดแล้วก็ต้องเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายกันเป็นธรรมดาแล้วก็มาเจอความทุกข์ที่เกิดจากการเสื่อมของสิ่งที่ให้ความสุขมไม่ว่าจะเป็นลาบยศดฉลเสญ<ม>หรือรูปเสียงจิตลดปุตตพะก็หรือความสุขที่ได้จากสมาธิ<ม>ก็เป็นความสุขชั่วคราว เวลาเข้าสมาธิใจก็จะมีความสุขพอออกจากสมาธิมาสมาธิออกมาความสุขที่ได้จากสมาธิก็ค่อยจางหายไปก็จะทำให้ใจรู้สึกขาดความสุขมีความไม่สบายใจก็ต้องคอยเข้าสมาธิไปเรื่อยๆนี่คือความสุขในยุคที่ไม่มีคนเจรานอย่างพระพุทธเจ้ามาปรากฏ เพราะคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้านี้มีความสามารถที่จะหาความสุขอีกอย่างหนึ่งแบบความสุขแบบถาวรความสุขของนักบวชคือความสุขที่ได้จากสมาธินี้พระพุทธเจ้าสามารถที่จะรักษาให้มันไม่เสื่อมได้ด้วยการเข้าใจด้วยการรู้เหตุของ ความเสื่อมของความสงบของใจงนั้นว่าเกิดจากอะไรก็ทรงค้นพบว่ามันเกิดจากความอยากต่างๆนี่เองเกดจากความอยากที่จะหาความสุขจากลาบยศสารเสรินจากรูปเสียงกิธธ่นรสโผฏฐาพก็จากความอยากที่จะได้ความสุขจากความสงบความอยากเหล่านี้ต้อง กำจัดมันให้ได้เพราะต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากนั้นมันเป็นทุกข์เป็นของไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นของที่ควบคุมบังคับไม่ได้ถ้ายังตราบใด้ยังไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสหรือจากความสงบของสมาธิอยู่ก็ยังจะต้องเจอกับความเสื่อมของสิ่งเหล่านี้ แล้วเมื่อเจอความเสื่อมความสุขที่ได้ก็จะหายไปความทุกข์จะก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีถ้าไม่ต้องการจะให้มีความทุกข์เข้ามาก็ต้องหยุดความอยากที่จะไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นล้นรู้จากความสงบของสมาธิเมื่อหยุดความอยากเหล่านี้ได้หมดแล้ว ใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบอย่างถาวรสงบแบบที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดเพราะเป็นความสงบที่เกิดจากการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศ จ, จากความอยากต่างๆที่เป็นตัวที่คอยมาสร้างความขิวความความขาดความรู้สึกอดอยากขาดแคลนความรู้สึก ไม่สบายใจพอสิ่งเหล่านี้ถูกกาจัดไปหมดแนละ้วใจก็จะสงบใจอิ่มจะพอไปตลอดไม่มีใครที่จะรู้และเข้าสามารถสามารถเข้าถึงความสงบระดับนี้ได้นอกจากพระโพธิสัตว์เท่านั้นพระโพธิสัตว์ผู้ที่แสวงหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงของจิตใจ จะเป็นผู้ที่จะมาค้นพบสาเหตุที่ใจยังไม่มีความสุขเพราะเกิดจากการที่ยังไม่สามารถไม่ละความอยากต่างๆได้ผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนั้นเป็นผู้ที่หาความสุขจากความอยากพวกที่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ก็เพราะความอยากได้ความสุขเหล่านี้ผู้ที่หาความสุขจากสมาธิก็เพราะมีความอยากจะหาความสุขจากสมาธิและถ้าตาบดยังมีความสุขความอยากเหล่านี้อยู่ที่จะผลักดันให้ไปหาความสุขเหล่านี้มันก็จะต้องพาให้ไปเจอความทุกข์พาให้ไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่เรื่อยๆแต่ท่านสามารถหยุดความอยากที่จะไปหาความสุขจาก โลกกระทาได้หาความสุขจากสมาธิได้ไม่มีความอยากใจก็จะไม่มีอะไรมาทำให้ใจนั้นผิวโหยไม่สไมุไม่ไม่อิ่มไม่สุขไม่พอเพราะเมื่อไม่มีความอยากแล้วความสุขความอิ่มความพอมันก็ปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัติ มันเป็นธรรมชาติของใจที่ไม่มีความอยากใจที่ไม่มีความอยากนี้จะมีแต่ความสงบมีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอเ <Laurie. S 1> มืมมมเ่อ ม, มีความสงบมีแต่ความอิ่มความพอก็จะไม่มีการที่จะไปมีร่างกายอันใหม่ต่อไปไม่มีการไปเกิดใหม่ต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดก็ย่อมไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตาย อันนี้จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมีพระโพธิสัตว์มาตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าเช่นเจ้าชายสิทธัตถะที่ได้ทรงออกบวชเป็นสมณะโคโดมแล้วก็ศึกษาปฏิบัติเพื่อค้นหาวิธีที่จะทำให้ใจนี้ไม่ทุกข์ไม่อยากกับอะไรตอนในที่สุดก็ทรงเห็นความจริงของ ของอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่สัตว์โลกทั้งหลายแสวงหากันว่ามันเป็นทุกข์ว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันเลยทำให้ใจต้องทุกข์เพราะใจไปคิดว่ามันเป็นของที่เที่ยงได้มาแล้วจะให้ความสุขไปตลอดแต่มันให้ความสุขได้ชั่วระยะ แล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็จะเสื่อมไปหมดไปพอมันเสื่อมไปหมดไปความสุขที่ได้ก็หายไปสิ่งที่เข้ามาแทนที่ความสุขก็คือความทุกข์ใจความเศร้าโศกเสียใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจไม่อยากจะมีความเศร้าโศกเสียใจถ้าอยากจะมีความสงบมีความเย็นมีความอิ่มความพอ ก็ต้องตัดความอยากต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปให้ได้อันนี้แหละคือการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าแต่ละพระ อ, องค์ทรงรู้ถึงปัญหาของใจว่าทำไมใจจึงไม่ไม่มีความสุขเทียทีไม่มีความสุขแบบ ย, ยั่งยืนเทียทีเพราะใจไปหาความสุขที่โยงกับสิ่งที่เป็นของที่ไม่เที่ยงนั่นเอง เป็นของที่จะต้องกลายเป็นความทุกข์ไปเวลาที่เสื่อมไปหรือหมดไปถ้าไม่อยากจะเจอกับความทุกข์ที่ได้จากสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขก็ต้องอยากไปหาความสุขจากสิ่งเหล่านั้นให้ตัดความอยากในสิ่งต่างๆให้ได้เพราะตัวที่สร้างความทั้งให้ใจทุกข์ทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจไม่มีความสุขนั้น ไม่ใช่สิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้หรือสมาธิก็ตามสิ่งเหล่านี้เขาเป็นของเขาอย่างนั้นอยู่ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็จะไม่มายุ่งกับเราถ้าเราไม่ไปยุ่งกับราบยศสารเสดไม่ไปยุ่งกับรูปเสียงกลิ่นรสเขาก็จะไม่มาทำให้ใจเราทุกข์ได้ถึงแม้ถ้าเขาจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเขาก็เป็นของเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขา แต่ใจเราจะไม่ไปทุกข์กับเขาถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาแต่เราไม่รู้กันแลาจะไม่มีวันรู้ได้นอกจากจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้นความจริงอันนี้แล้วมาเอาธรรมะเอาความจริงอันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราทั้งหลายที่ปรารถนาที่จะให้ใจของเรานั้นมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์เราก็จะได้ เอาความรู้อันนี้มาทำใจของเราให้ปราศจากความทุกข์ให้ใจของเรามีแต่ความสุขได้ mm hmm. เราก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละ mm hmm. นอกจากทรงสอนว่าเหตุที่ทำให้ใจเรานั้นไม่มีความสุขไม่ได้พบกับความสุขที่ถาวรก็เพราะความอยากที่มีใน ใ, นใจและการกระทำที่เป็น โทษแก่ใจก็คือการกระทำบาปถ้าเราทำบาปแล้วใจของเราจะร้อนขึ้นมา ท, าทันทีจะทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีถ้าเรามีความอยากขึ้นมาเมื่อไหร่ใจของเราก็จะร้อนขึ้นมาก็จะกะวนก歪กระสาบกระสายกินไม่ได้นอนไม่หลับมีความรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจอยู่เรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถได้สิ่งที่เราอยากได้ทำในสิ่งที่เราอยากได้เท่านั้น มันถึงจะหายไปแต่มันไม่ได้หายไปอย่างถาวรถ้าเราถ้าเราไปตอบสนองความอยากเพราะมันให้ความสุขเราได้ชั่วคราวพ อ, อหลังจากที่มันจางหายไปความสุขที่ได้จางหายไปความอยากใหม่ก็จะเกิดขึ้นมาใหม่พระมุทธเจ้าจึงคนพบวิธีก็คือต้องหยุดความอยากเท่านั้นหยุดการกระทาบาป เป็นของที่จะสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ใจของเราทุกข์ถ้าเราต้องการให้ใจของเราไม่ทุกข์นี้เราก็ต้องหยุดการกระทำบาปแล้วก็หยุดความอยากต่างๆแล้วถ้าเราต้องการความสุขนอกจากการไม่ทำบาปหยุดความอยากแล้วเราก็ทำความดีต่างๆสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆถ้าเรายังไม่สามารถที่ ไปถึงจุดที่หยุดความอยากต่างๆได้ก็ให้เรามาหาความสุขจากการทำความดีต่างๆจากการทำบุญทำกุศลนี่เองเรียกว่าการทาความดีบุญกุศลจึงปรากฏเป็นคำสอนที่พระเจ้าทรงนํามามาสั่งสอนพวกเราให้มาทำใจของเรานั้นให้อยู่ปราศจากความทุกข์ ให้อยู่กับความสุขแล้วใจของเราก็จะมีแต่ความสุขความสบายใจไปตลอด<ม>คำสอนที่จะทำให้ใจของเรานั้นเป็นใจที่สะสะงบมีความสุขปราศจากความทุกข์ก็คือหนึ่งให้เราละการกระทำบาปทั้งปวงเพราะการกระทำบาปจะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาสองให้เรา ทำบุญทำกุศลต่างๆไปเรื่อยๆถ้าเรายังไม่สามารถที่จะไปทำข้อที่สามได้ก็คือการชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อกำจัดความอยากต่างๆที่มาสร้างความหิวสร้างความไม่อิ่มไม่พอให้กับใจไปให้หมดสิ้นไปถ้าเราทำสิ่งเหล่านี้ทั้งสามข้อได้ เราก็จะสามารถทําใจของเรานั้นให้เป็นใจที่มีความสุขให้เป็นใจที่ไม่มีความทุกข์ได้แล้วพอใจของเรามีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไปเกี่ยวข้องด้วยไปสัมผัสรับรู้ด้วยนั้นจะไม่มีพิฏฐิภัยกับจิตใจของเราอีกต่อไปเพราะใจของเรานี้ ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกิน่นรสโูตสภาพชนิดต่างๆหรือสมาธิความสงบในระดับต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นอนิจจังทุกขงนนังอนัตตาเราจะไม่ไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะมันเป็นเหมือนกับยาเสพติดเราไม่เสพยาเสพติดเราก็อยู่ได้ แต่คนถ้าไปติดยาเสพติดแล้วต้องมียาเสพติดให้เสพอยู่เรื่อยๆ <S <S <AR> <S เวลาใดที่ไม่มียาเสพติดให้เสพแล้วเวลานั้นก็จะทุกข์ทรมานใจแต่คนที่ไม่ติดยาเสพติดก็จะไม่ทุกข์เวลาที่ไม่มียาเสพติดเพราะไม่เสพมีก็ไม่เสพไม่มีก็ไม่เสพก็จะไม่เดือดร้อนกับเรื่องของการที่จะต้องไปหาย า, ยาเสพติดมาเสพอยู่เรื่อยๆ อันนี้ต้องหยุดความอยากซึ่งเป็นขั้นที่สามของการระงับความทุกข์ต่างๆและสร้างความสุขอย่างถาวรให้กับใจแต่ในเบื้องต้นนี้ให้ทำขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก่อนเพราะเป็นขั้นที่อยู่ในวิสัยของทุกๆุกคนที่จะสามารถทำได้กันก็คือให้เราละการกระทาบาปและละการกระทาที่ส่งเสริมให้เกิดการกระทาบาปขึ้นได้ ก็คือการเสพอบายามุขต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนี้มีความสามารถที่จะทำได้ถ้ามีความศรัทธาความเชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นการกระทาที่จะลดความทุกข์ใจต่างๆให้น้อยลงไปได้ทุกคนสามารถรักษาศีลได้ละเว้นการกระทบาบาปได้ การไม่ทำบาปก็มีอยู่สี่ข้อการไม่เสพอ บ, บายามุข ก, ก็มีอยู่หนึ่งข้อรวมกันก็เป็นห้าข้อที่เราเรียกว่าศีลห<ม>้าการละเว้นการกระทำห้าข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งก็คือละเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต<ม>ข้อที่สองละเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นข้อที่สามละเว้นจากการประพฤติผิดประเพณี เดิมไม่ไปยุ่งไปมีอะไรกับสามีภรรยาของผู้ข้อที่สี่ไม่พูดปดไม่โกหกหลอกลวงและข้อที่หไม่เสพสุรายาเมาที่เป็นเหตุที่จะทําให้ไม่มีสติที่จะคอยยับยั้งใจเวลาที่ใจคิดไปในทางที่ไม่ดีเวลาใจคิดที่จะไปทําบาปถ้าไม่มีสติแล้วมักจะไม่มีอะไรมายับยั้งได้ แต่ถ้าเวลามีสเตยอยู่นี่เวลาคิดจะทำบาปนี้ก็จะรู้ว่ากำลังไปคิดในทางที่ไม่ดีจะไปทำในสิ่งที่ไม่ดีก็จะสามารถยับยั้งได้เพราะรู้ว่าถ้าทำบาปแล้วมี ม, ม, มีโทษตามมา น, นั่นเองมีโทษทั้งที่เรามองเห็นและโทษที่เรามองไม่เห็นโทษที่มองเห็นก็คือเราอาจจะต้องถูกไป จะไปเปิดทุกติดตรางถูกลงโทษอย่างใดอย่างหนึ่งโทษที่มองไม่เห็นก็คือความทุกข์ใจความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นในใจของเราและเวลาที่ร่างกายตายไปบาปนี้ก็จะพาให้ใจเรานั้นไปเกิดในอบายต่อไปอันนี้เป็นโทษที่เรามองไม่เห็นกันแต่ถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆมันก็จะทําให้เรา เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงมันก็จะเป็นตัวที่จะมาคอยห้ามใจของเราไม่ให้ไปทาบาปกันไม่ให้ไปเสพอบายามุข<ม>เช่นสุรายาม้าเป็นต้น<ม>ออบายามุขนี้นอกจากสุราาแล้วยังมีอีกสี่ข้อด้วยกันที่เราไม่ควรที่จะไปคล้องเกี่ยวด้วยไม่ควรไปเสพก็คือการเล่นการพนัน<ม>การเที่ยวเตร การโดยเฉพาะการเที่ยวกลางคืนแล้วก็การมีความเกลียดคาราน<ม>แล้วก็การครบคนที่ชอบอบายามุขเป็นนิสิต<ม>ไม่ควรที่จะไปเสพสิ่งเหล่านี้ถ้าเราครบกับคนที่ชอบดื่มโชราเขาก็มักจะชวนเราไปดื่มโชราถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราเที่ยว ทางเขาชอบความเกลียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกลียดค้านด้วยซึ่งการกระทาเหล่านี้ไม่เกิดรายได้มีแต่รายจ่ายถ้าเราเสพไปเรื่อยๆต่อไปเงินทองเราก็จะไม่พอใช้ได้และพอเงินทองไม่พอใช้มันก็อาจจะทำให้เราต้องไปหาเงินทองโดยวิธีมิชอบเช่นไปเละไปไปชอ่อโกงไปหลอกลวงพูดเพื่อเอาเงินเข้ามามาเสพอ บ, บายมุขต่อไป น, นี่คือสิ่งที่คนธรรมดาสามัญปุถุชนที่มาเกิดมาเป็นมนุษย์นี้มีความสามารถที่จะทำได้ไม่ใช่เป็นของที่ยากเย็นอะไรเลยการไม่ฆ่าสัตว์นี่มันง่ายกว่าการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์นี้ต้องไปหาเครื่องไม้เครื่องมือมาฆ่าการไม่ฆ่าสัตว์ก็เกิดการอยู่เฉยๆนั่นเองไม่ต้องทำอะไรการไม่ทำอะไรมันไม่ง่ายกว่าการที่จะต้องไปทาอะไรเลย การจะทำอะไรมันจะต้องไปหาเครื่องไม้เครื่องมือแล้วต้องใช้กำลังวังชาถึงจะสามารถทำได้แต่การที่เราไม่ฆ่านี้แล้วอยู่เฉยๆเท่านั้นเองแต่นั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเราก็ไม่ได้ทำบาปแล้วเพราะการไม่ทำบาปตามความจริงแล้วมันง่ายกว่าการทำบาปเพราะการทำบาปนี้มันจะต้องมีการต้องใช้กำลังใช้ความคิดต่างๆ เช่นถ้าเราจะรักทรัพย์นี้เราก็ต้องวางแผนแล้วว่าจะรักทรัพย์ได้เมื่อไหร่เวลาไหนตรงไหนที่ไหนทาได้อย่างไรมันต้องมีการใช้ความคิดแล้วต้องมีการใช้การกระทำแต่การไม่รักทรัพย์นี้ก็เพียงจะอยู่เฉยๆเท่านั้นเองไม่เห็นจะยากเย็นตรงไหนเลยสิ่งนี้จะทำให้เรานี้สามารถ ไม่ทำบาปได้ไม่เสบอบายามุกได้ก็คือหนึ่งก็คือศรัทธาความเชื่อที่พูะเจ้าทรงสอนว่าบาปหรืออบายามุกนี้มันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจของเรามันไม่ได้เป็นคุณเป็นประโยชน์กับจิตใจของเราแต่อย่างใดมันมีแต่จะทำให้ใจของเรามีแต่ความทุกข์เพิ่มขึ้นไปอยู่เรื่อยๆให้เรามีศรัทธาแล้วเราก็จะมีเีลิมีความอายด้วย เพราะคนที่ทําบาปนี้มักจะเป็นคนที่สังคมรังเกียจไม่มีใครยกย่องสรรเสริญคนทําบาปมีแต่คนรังเกียจเพราะ<ม>เป็นเหมือนกับคนที่ไม่สวยงามนั่นเองไม่น่าดูน่าชมไม่น่าเคารพค่าสมาคมด้วยถ้าเรามีความอายถ้าเราเราไม่อยากให้คนอื่นเขารังเกียจเรา<ม>เราก็ต้องมีความอายในการกระทําบาป<ม>แล้วก็ต้องมีโอตระปาคือความกลัวของ ตัลผลของบาปที่จะตามมาทั้งในส่วนที่เรามองเห็นและในส่วนที่เรามองไม่เห็นถ้าเราทำบาปแล้วถูกจับได้นี้บางทีเราก็อาจจะต้องตกตกงานออกจากงานถูกขับไล่ออกจากงาน ถ, ถ้าเราไปทาอะไรไปโกงเงินของบริษัทเขาอย่างนี้พอเขาเราูรา้ว่าเราเป็นคนขี้โกงเขาก็จะไล่เราออกจากงานหรือถ้าเขา จับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับเข้าไปขังคุกขังจารางได้เขาก็จะมาจับไปให้เราเห็นโทษที่จะตามมาในในการที่เราจะทำบาสนี่คือโทษที่เราเห็นได้ในในปัจจุบันในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และหลังจากที่เราตายไปใจของเรานี้ก็จะถูกบาปนึงให้เราไปชดใช้กรรมต่อไปในอบายนี่คือสิ่งที่ พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราทุกคนมาช่วยกันปกป้องรักษาใจของเราไม่ให้สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองด้วยการละ ง, งับการกระทำบาปและละ ง, งับการเสพอบายมุขไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเทณีไม่พูดปวดไม่ดื่มของมึนเมาหรือยาเสพติดต่างๆไม่เล่นการพ น, นันไม่เที่ยวเตะ ไม่เกลียดค้านไม่คบคนที่ชอบอบายามุขเป็นมิตรแล้วความทุกข์ความเสื่อมของจิตใจที่เกิดจากการกระทาเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นใจของเราก็จะตั้งมั่นอยู่ในความเป็นมนุษย์ได้สมมติถ้าเกิดเราตายไป<ม>เรายังไม่ได้ทำบุญแต่เราเราสามารถรักษาศิ่ได้ไม่เสพอบายามุขได้นี่ ตายไปเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปใช้กรรมในอบายตายไปก็กลับมารอรับร่างกายอันใหม่มาเป็นมนุษย์ต่อไปได้เลยอ น, นี่คือผลประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการกระทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าในข้อที่หนึ่งคือข้อของการไม่ให้กระทํำบาปทั้งปวงไม่ให้เสพอบา ย, ยมุกเนี่ยถ้าเรา ถ้าเราเชื่อถึงผลเหล่านี้มันก็จะทำให้เรามีกำลังใจที่จะฝืนความคิดฝ่ายต่าซึ่งอาจจะยังมีหลงเหลืออยู่ในใจของเราหรือในขณะที่เราไปอยู่ตกในสภาพสภาวะรับขันที่ทำให้ชีวิตเราตกทุกข์ยากลาบากมันก็อาจจะมาบีบทัานให้เราไปทำบาปได้แต่พอเราเนืกอถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการไม่ทำบาป และความปลอดภัยจากการที่จะไม่ต้องไปรับโทษของการกระทำบาปมันก็จะทำให้เรานี้มีความกล้าหาญมีความอดทนที่จะไม่ไม่ไปทำบาปอันนี้เกิดสิ่งที่เราควรที่จะทำความเข้าใจคิดถึงผลดีผลเสียจากการทาบาปและไม่ทำบาปแล้วมันจะทาให้เราเวลาที่เกิด ความอยากหรือเกิดภาวะที่บีบพันให้เราไปทําบาปเราจะได้นึกถึงผลดีผลเสียเหล่านี้แล้วเราก็จะได้ไม่ทําบาปเพราะผลเสียมันมากกว่ามันได้ไม่คุ้มเสียเราอาจจะแก้ภาวะขับขันของเราเช่นเราอาจจะทําให้สถานะการเงินการทองของเราดีขึ้นทําให้เราเป็นอยู่ดีขึ้นสบายขึ้นหรือลดความทุกข์ยากลําบากให้น้อยลง แต่มันก็เป็นเชือกขณะที่เรามีชีวิตอยู่นเท่านั้นแต่หลังจากที่เราตายไปแล้วนี้เราดวงวิญญาณของเรานี้ยังจะต้องไปรับผลบาปที่เราทำเวลาในการที่เราจะมาแก้ภาวะคับขันต่างๆของชีวิตเราซึ่งอาจจะไปติดอยู่ในบาปเป็นเวลาอันยาวนานกว่าความความเป็นที่ความกินอยู่ที่ดีของเราในขณะที่เป็นมนุษย์ก็ได้ เย็นขอให้เรามองว่าการทําบาปนี้ผลได้ไม่คุ้มผลเสียผลเสียมันอันตรายกว่ารุ่นแรงกว่าผลได้ให้เรารู้จักช่างตวงนึกคิดอยู่เรื่อยๆเวลาคิดจะทําบาปนี้ต้องต้องคิดถึงวิบากที่จะตามมาทันทีแล้วมันจะทําให้เราเกิดโอตระปากะทิเลโอตระปะความอายและความความกลัวบาปขึ้นมา นี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนสามารถที่จะทําได้ในเบื้องต้นในขั้นในในวิถีในในการดําเนินการเพื่อที่จะมาทําใจของเราให้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์เบื้องต้นเรามากําจัดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําบาป ก, ก่อนจากการเสพอบายามุข ก, ก่อนแล้วขั้นที่สองก็คือขั้นมาทําใจของเราให้เกิดความสุขกัน ความสุขของใจนี้ไม่ได้เกิดจากการที่จะได้เงินทองมาไม่ได้เกิดจากการได้ลาบยศเสรเสริญจากการได้เสพรูปเสียงกลดิ่นรสเพราะอันนี้มันเป็นความสุขแบบควันไฟความสุขแบบชั่วคราวความสุขแบบเดียวเดียวเวลาได้เสพสัมผัสก็จะมีความสุขใจชั่วขณะหนึ่งพอหลังจากที่มันผ่านไปแล้วมันก็หายไปหมด มันทาให้เกิดความหิวเกิดความอยากที่จะต้องเสพอยู่เรื่อยๆให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ต่างๆหรือเสพลาบยศสารสญให้มาหาความสุขด้วยวิธีการทําความดีต่างๆการทําคความดีหรือการทําบุญนี้ก็มีหลายลักษณะด้วยกันและทําได้ด้วยหลายอย่างด้วยกัน ไม่จําเป็นว่าจะต้องใช้เงินทองในการทําบุญเพียงอย่างเดียวสําหรับคนที่มีเงินทองเหลือกินเหลือใช้ก็เอาเงินทองที่เหลือกินเหลือใช้นี้ไปทําความดีทําบุญได้เอาไปสงเคราะห์ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ ย, ยากเดือดร้อนเนื้อไปช่วยทําให้สังคมนี้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขหากแพนอะไรเราชาติเราสามารถที่จะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปโดยจากทรัพย์ให้กับ องค์กรต่างๆที่ทําคุณทําประโยชน์ให้แก่สังคมก็ได้หรือบอริจาคทรัพย์โดยตรงให้กับผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนก็ได้ถ้าเราเป็นใครเขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วเราสงสารอยากจะให้เขาได้บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนพอเรามีเงินมีทางพอที่จะช่วยเขาได้ก็ช่วยเขาไปเวลาได้ทําคุณประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเวลาทําความสุขให้กับผู้อื่นคะรับ ความสุขนั้นมันจะกลับมาหาเราที่ใจของเรามันจะทําทให้เราเกิดมีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจและเป็นความสุขใจอิ่มใจที่มีน้ําหนักมากกว่าและอยู่ยาวนานกว่าความสุขที่เราได้รับจากการไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงไปเสพรูปเสียงกินรสชนิดต่างๆใปซื้อของที่เราอยากได้แต่ไม่มีความจําเป็นจะต้องไม่ไม่มีความจําเป็นจะต้องมี มันเป็นความสุขแบบควันไฟแต่ความสุขที่เราได้จากการทําความดีนี่มันจะฝังอยู่ในใจเราแล้วมันจะทําให้เรารู้สึกไม่ค่อยหิวโหวยกับการหาความสุขจากจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิริลดโพธภิภพ mm hmm. แล้วความสุขอันนี้มันจะเป็นตัวที่จะพาดวงวิญญาณของเราให้ไปสู่สวรรค์ต่อไป mm hmm. การหาความสุขจากการทำบุญทํากุศลจากการทำความดีนี้มันมีแต่คนมีประโยชน์ไม่มีโทษและมันอยู่กับใจไปยาวนานกว่ามันจะหมดก็ต่อเมื่อเราได้ได้ไปรับอนิสงส์ตอนที่ร่างกายเราตายไปแล้วตอนที่ดวงวิญญาณของเรานี้ต้องอาศัยบุญที่เราได้ทำไวน้นี้เป็นตัวพาเราไปอยู่ในสวรรค์พอบุญนี้หมดแล้วเราถึงจะลงกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ อนันนี้แต่ถ้าความสุขที่เราได้จากได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นล้นี้มันไม่ติดไปกับใจเราเลยแม้แต่สิ่งที่จะติดไปกับใจไม่ใช่ความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญแต่เป็นสิ่งแต่เป็นความอยากอยากอยากจะหาความสุขจากราบยศสรรเสริญนี่และความอยากนี้แหละเป็นตัวที่จะพาให้เรานี้ต้องหิวโหยอยู่เรื่อย ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆจึงไม่ควรที่จะส่งเสริมวิธีหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นนนั้ควรจะเปลี่ยนวิธีจากการหามาเป็นการหาความสุขด้วยการกระทําความดีทําบุญต่างๆถ้าไม่มีทรัพย์เราก็ยังมีร่างกายมีเวลาบางคนก็มีความรู้เราก็สามารถที่จะใช้สิ่งที่เรามีอยู่นี้ทำประโยชน์ สุขให้แก่ผู้อื่นได้เช่นถ้าร่างกายเราแข็งแรงเรามีเวลาว่างไม่ต้องไปไม่มีงานมีการมากมีมีเวลาที่จะไปทำํำอาส า, าสมัครไปทําอะไรทําคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้โดยที่เราไม่เรียกค่าตอบแทนอันนี้ก็เป็นวิธีการทําบุญอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นการรับใช้สังคมหรือรับใช้ผู้ อันนี้ก็จะทำให้ใจเราเกิดความสุขเหมือนกับการที่เราได้ทำบุญทาทานด้วยข้าวของเงินทองหรือว่าถ้าเรา <c oughs> มีวิชาความรู้ต่างๆที่เราสามารถที่จะแบ่งให้ผู้อื่นเขาไปทำประโยชน์ได้เช่นถ้าเรารู้จักวิธีทำกับข้าวกับปลาก็สอนให้คนที่เขาอยากจะไปทาเปิดร้านอาหารให้รู้จักวิธีทำกับข้าวกับปลาทำอาหารที่อ ร, อร่อยเพื่อที่เขาจะได้นาไป ทำอาหารแล้วขายของขายอาหารเหล่านั้นให้เกิดรายได้ขึ้นมาก็ได้หรือวิชาความรู้อะไรก็ได้เย็บปักถักร้อยเป็นช่างเป็นอะไรหรือเป็นเป็นอาจารย์มีวิชาทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์มาสอนพิเศษให้กับเด็กที่ต้องการจะเรียนเพิ่มเติมก็ได้สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นการทาบุญเหมือนกันเพราะให้คุณประโยชน์ให้ความสุขแก่ผู้อื่น <c oughs> เมื่อเราทำคุณทำประโยชน์ทำความสุขให้กับผู้คุณประโยชน์และความสุขนั้นก็จะกลับมาที่ใจของเราทำให้ใจของเรามีความอิม่มมีความสุขมีความสบายไม่ต้องไปดิ้นหลน่นหาราบยศสารเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเรามันก็จะทำให้เราลดทำให้เราตัดความความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้เบาบางลงได้จนทาให้เรานี้สามารถที่จะไป ปฏิบัติทําข้อที่สามได้ก็คือการไปชําระความอยากต่างๆให้หมดจากใจของเราด้วยการปฏิบัติทำหรือที่เรียกว่าการเจริญจิตตภาวนาเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทําใจให้สงบทําใจให้ฉลาดการที่เราจะไปปฏิบัติขั้นที่สมคือการชําระความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เราก็ต้อง มีกำลังที่จะ <c oughs> หยุดความอยากที่จะหาความสุขทางราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสได้เราต้องสามารถรักษาสีนแต่ได้นั่นเอง <c oughs> เพราะว่าถ้าเรายังรักษาศีนแต่ไม่ได้เราจะไม่มีเวลาพอที่จะไปปฏิบัติจิตภาวนาทำใจให้สงบทำใจให้ฉลาดได้แต่ถ้าเราได้ทำบุญทำทานมาอยู่เรื่อยๆแล้ว ความอยากที่จะหาความสุขจากราบยศอเสิญจากรูปเสียงกิรนี้มันจะเบาบางลงไปมันจะทำให้การไปรักษาสิ่งแปดนีเน้เป็นสิ่งที่ไม่ยากเย็นเลยเพราะเราจะไม่ค่อยติดกับการเที่ยวติดกับการไปหาความสุขจากการร้องรำทำเพลงความสุขจากการเสริมสวยความงามของร่างกายความสุขจากการไปดื่มไปกินไปรับประทานอะไรต่าง เราได้ความสุขจากการทําบุญทํากุศลนั่นเองมันก็เลยจะทําให้มันง่ายต่อการที่เราจะไปปฏิบัติทําข้อที่สคือไปชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการไปถึงศีล8หรือศีลสิบศีลสองิบเจ็ดนั่นเองเราก็จะสามารถไปปฏิบัติทําได้เบื้องต้นเราก็อาจจะหาวันเวลาว่างสักอาทิตย์ละวันเช่นวันพระหรือวันที่เราหยุดทํางาน แล้วเราก็ไปหาที่เราสามารถไปปฏิบัติศีลแปดได้ไปนั่งสมาธิไปทาใจให้สงบได้ไปฟังเทศคํงธรรมไปเรียนรู้วิธีที่เราจะหยุดความอยากต่างๆที่มีในใจให้เราหมดสิ้นไปได้เบื mm ้อ hmm. งต้นกัเราก็ลองทำอาทิละวันก่อน mm hmm. เมื่อเราทำแล้วเราเริ่มเห็นผลดีจากการกระทาว่าจิตใจเรามีความสงบมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้น มันก็จะทำให้เราเกิดมีกาลังใจมีศรัทธามีความยินดีที่อยากจะทำเพิ่มมากขึ้นไปเราก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันต่ออาทิตย์สองวันแล้วก็เพิ่มเป็นสามวันทำเพิ่มไปเรื่อยๆต่อไปเราก็อยากจะไปบวชอย่างถาวรเลยเพราะพอเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับการชำระใจให้สะอาดบ่อยสุด เพราะการชำระใจให้สะอาดบริสุทธนี้เป็นการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปอย่างถาวรและเป็นการสร้างความสุขให้กับใจได้อย่างถาวรต่อไปเราก็จะบวชกันนะนักบวชส่วนใหญ่นี้เขาก็ทำแบบนี้กันทั้งนั้นไม่มีใครเกิดมาจากท้องแม่ปั๊บพอโตก็ไปบวชแล้วก็อยู่ได้เลยยกเว้นคนบางคนที่มีบุญเก่ามีบารมีเก่าติดตัวมานี่ มีความชอบที่อยากจะอยู่แบบนักบวชอยู่แล้วพวกนี้เขาก็ไปบวชได้เลยส่วนพวกที่ยังไม่มีบาริยมีเก่าไม่มีบุญเก่าติดตัวมาก็ต้องมาสร้างบุญในบุญใหม่ในในปัจจุบันก่อนมาละการกระทําบาปมาทําความดีทั้งหลายถึงพร้อมก่อนพอความดีได้สร้างพอเพียงที่จะผักดันให้จิตใจไปไ ป, ไปฝึกเป็นนักบวชได้ก็จะเริ่มไปฝึกเป็นนักบวชก่อนฝกทิย์ละวันฝกทิละสองวันเพิ่มขึ้นไปเรื่อย กันนันที่สุดก็จะรู้ว่าพร้อมที่จะไปเป็นนักบวชอย่างถาวรพอได้บวชอย่างถาวรแล้วก็จะมีเวลาเต็มที่ที่จะให้กับการทําใจให้สงบให้กับการสอนใจให้ปล่อยวางให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจไปหลงปไปยึดไปติดไปอยากได้ความสุขนั้นล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นล้วนเป็นอนิจจังเ ป, เป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าสิ่งต่างๆที่เอย ที่เคยชอบหาให้ความสุขกับเหล่านี้เป็นเขาเป็นในมันจะจบลงที่ที่ความทุกข์เพราะว่ามันเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่ถาวรได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็จะต้องเสื่อมหมดไปพอมันเสื่อมหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทุกครั้งไปพอเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะระ ง, งับความอยากต่างๆได้จนไม่มีความอยากที่จะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นความสุขจากราบยศ ส, สรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภะด้วยความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยสมาธิหันมาทำใจให้สงบด้วยการตัดความอยากดีกว่าพอตัดความอยากได้หยุดความอยากได้จริงๆแล้วใจจะเนื่งใจจะสงบยิ่งกว่าสงบของสมาธิสี่มีความสุขยิ่งยืนยั่งยืนกว่าความสุขของสมาธิเพราะเป็นความสุขที่ถาวร ที่เราเรียกว่านิพานนี้เองนิบานังบามังสุขขังความสุขของพระ น, นิพานนี้เป็นความเป็นบร ม, มสุขเพราะเป็นความสุขที่ยัง่งยืนที่ถาวรที่ไม่มีวนันสิ้นสุดเมื่อเราทําถึงขั้นที่สามนี้ได้แล้วเราก็จะทําใจใจของเรานี้ปราศจากความทุกข์ได้มีแต่ความสุขตลอดเวลาแล้ว ถ้าใจเรายังต้องมาเกี่ยวข้องกับโลกธระทั้งหลายก็จะไม่รู้สึกทุกข์เยะไม่รู้สึกทุกข์รู้สุกกับสิ่งเหล่านั้นได้ลาบมาก็ไม่ได้มีความสุขเสียลาไปก็ไม่มีความรู้สึกทุกข์ใดๆเพราะใจไม่ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับใจแล้วใจได้พบวิธีที่จะทําทให้ใจนี้ไม่ต้องมีความไม่มีไม่ต้องมีความทุกข์ให้มีความสุขตลอดเวลาด้วยการระงับความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเท่าั้เอง แล้วเมื่อได้ระ ง, งับความอยากหมดไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีกต่อไปใจก็จะอยู่อย่างสบายไปตลอดไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือวิธีการที่เราจะมาให้ความสําคัญกับใจตามที่พระเจ้าทรงสอนว่าไม่มีอะไรในโลกนี้จะสําคัญยิ่งกว่าใจของเราใจเราของเรานี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคอยดูแลรักษาทําให้ใจมันสงบทําให้ใจให้สุขทําให้ใจปราศจากความทุกข์แล้ว ใจก็จะให้ความสุขเราไปตลอดเราก็จะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ดีไปหมดไม่ว่าใจเป็นในเหตุการณ์เลวร้ายขนาดไห น, นมันก็จะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโลกของอ น, นิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นอย่างนี้แต่ใจเราจะไม่เดือดร้อนไม่ดีใจไม่เสียใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆอีกต่อไปใจเราจะตั้งอยู่ความสงบไปตลอดนี่คือประโยชน์ ที่เราจะได้รับจากการมาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้วิธีรักษาสิ่งที่สาคัญที่สุดของชีวิตของพวกเราก็คือใจของเราด้วยการละ ก, การกระทาบาป ท, ทั้งปวงสร้างบุญสร้างคุณสตต่างๆให้ถึงพร้อมทำละใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ถ้าเราทำได้แล้วเราก็จะได้ผลอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้ผลอย่างแน่นอยการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุูลทนาให้ผ่อยะทาวเรวาหาปูราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตูจินังเตตานางังอุปกปติอิจิตังปัติตังตุมหังทิปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังกบา จัน n t i ปะนาละโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโวินัสตุมาเตภวะตวันตรายุสุขีติขายุโกภวะอภิวาตนศีลิลิศนิจาวุทาปจายโน จตารโหมาวะฏันติอายุวันโสุขังอาลามช่วงตอ่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเพราะเป็นช่วงเดียวที่เราจะถามตอบกันพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วก็จะไม่สะดวกที่จะตอบคำถาม วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทางสซเชีบุ๊ก420ท่าน YouTube พาสุชาติหลฟย304ท่าน YouTube ดรวี60ท่าน Clubhouse 5ท่านวิทยออนไลน์12ท่านนาคุติ192ท่านรวมทั้งหมด993ท่นานครับพระอาจารย์ คำถามจากหน้ากุตินะคะถามว่าผมอยากถามว่าผมจะรู้ตัวเองได้อย่างไรว่าผมนั่งสมาธิแล้วผมจะรู้ว่าตัวเองนั่งได้ถูกต้องครับเพราะมันอาจจะรู้สึกว่าผมคิดไปเองประมาณนี้ค่ะก็อย่าไปคิดเสียเวลานั่งสมาธิต้องหยุดคิดถ้าหยุดคิดก็ทาถูกต้องนะถ้านั่งแล้วยังคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แสดงว่ายังทาไม่ถูกต้อง เป้าหมายก็คือต้องการจะหยุดความคิดของเราให้ใจเราอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องอรแ้วเดี๋ยวพอถึงจุดหนึ่งใจก็จะหยุดกึกลงไปเหมือนรถที่มันเหยียบเบรกทันทีประทนานหันพอเหยียบปุ๊บมันก็หยุดหยุดปับ๊บเยเราก็จะรู้ล่าอ่อนเรามาถูกทางแล้วพอเวลาใจหยุดแล้วมันมีความสุขมาก ม, มีความสุขแบบที่ไม่เคยเห็นไม่เคยพบมาก่อนในชีวิตเลยพระชีมีคำถามหรือป่จากคุณพัชรวัตรค่ะลูกขอโอกาสถามครับปัญญาทางโลกกับปัญญาทางพระธรรมต่างกันอย่างไรครับและมีวิธีการปฏิบัติอย่างไรบ้างครับปัญญาทางโลกมันมันเป็นปัญญาที่ไม่เอามาสอนให้ใจหยุดความอยาก แต่กับสอนให้ใจเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นยิ่งรู้มากยิ่งอยากจะทำนู่นทานี่มากขึ้นยิ่งอยากจะได้มากขึ้นส่วนปัญญาทางธรรมนี้จะสอนให้เราหยุดความอยากจากคุณงามค่ะภาวนาบทนะมะนะมะพทานะโมพุทหายะนะชาลิตินะมะอะอุแทนคำบริกรรมพุโทโธได้ไหมคะก็ลองทำดูเถอะน่าจะได้นะ เป้าหมายก็คือให้ใจสงบไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆจากคุณเข็มจุธาค่ะทำทายังไงให้ได้สมาธิมีกำลังมากๆครับก็ฝึกสติให้มากๆวันทะยานพุทโธพุทโธก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเราสามารถพุทโธไปได้เกือบทั้งวันเลยช่วงไหนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดแล้วก็คิดแต่พุทโธพุทโธพุทโธไปคุณชวนชมค่ะ บางอาจารย์เปรียบพ่อแม่เป็นเหมือนพรมของลูกบางอาจารย์เปรียบพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกแล้วในทัศนคติของพระอาจารย์เปรียบพ่อแม่เป็นเหมือนอะไรชั่วาก็เป็นทั้งสองอย่างนี่แหละคือความหมายก็คือท่านเป็นผู้มีพระคุณกับเรามากพระคุณเท่าๆกับพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะท่านให้ชีวิตเรามาถ้าเราไม่มีพ่อแม่เราจะไม่มีชีวิตเราจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ จากคุณนาวินค่ะเรียนพระอาจารย์สติกับขันห้าทำงานแยกกันอย่างไรครับสติผู้คอยควบคุมขันห้าที<ม>ถ้าไม่มีสติขันห้าก็อาจจะไปในทางที่เสียหายได้เช่นคิดไปทำร้ายผู้<ม>ไปรักทรัพย์ของผู้<ม>แต่พอมีสติสติก็จะห้ามไม่ให้ขันห้าไปทำสิ่งเหล่านี้ได้หมดแล้วจ้ะค่ะหมด้วนะ สตินี้เป็นตัวที่สำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเราก็ว่าได้ถ้าไม่มีสติก็เรียกว่าคนบ้าใช่ไ้ยคนเสียสติหมดสติก็คือคนหลับหรือคนตายดง mm. นั้นถ้าถ้าเป็นคนแล้วไม่มีสติก็เหมือนกับคนบ้าคนตาย mm. ถ้าอยากจะเป็นคนที่ดีไม่มีปัญหาไม่เลือกสร้างโทษสร้างปัญหาให้กับใครก็ต้องมีสติคอยควบคุมการพูดการกระทาการคิดของเรา คิดไม่ดีถ้ามีสติก็จะรู้ทันทีว่าคิดไม่ดีนะอยากคิดอย่างนี้พอจะพูดไม่ดีพอจะไปด่าใครก็ไม่ดีนะไปด่าเขาพอจะไปลักทรัพย์ของผู้อื่นก็ไม่ดีนะถ้ามีสติก็จะรู้ทันเมื่อรู้แล้วเราก็จะหยุดการกระทําที่ไม่ดีได้โทษหรือความเสียหายที่เกิดจากการทําไม่ดีก็จะไม่เกิดขึ้นมาชีวิตเราก็จะปลอดปลอดจากโทษ บทบาทจากการที่จะต้องไปถูกเขาจับไปลงโทษอะไรต่างๆทั้งนี้ตรงมีสตินี่สําคัญที่สุดพทะเจ้าบอกว่าในบรรดาธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้ไม่มีธรรมบรรดที่จะสําคัญเท่ากับสติถ้าไม่มีสติแล้วก็จะเรียกว่าเป็นคนบ้าคนเมาสุราคนเมาคนดื่มสุรามียาเมาแล้วก็จะขาดสติไม่สามารถควบคุมการกระทําต่างๆได้ เวลาไม่ได้ดื่มสุราแล้วเป็นคนเรียบร้อยสังเกตยอยู่คนคนเดียวกันนี่แหละนะเวลาไม่ได้ดื่มสุราเป็นคนเรียบร้อยพูดจาเรียบร้อยทําอะไรเรียบรอยอ้อยพอดื่มสุราเมาเข้าไปนี่กลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยกลายเป็นคนน่าเกลียดน่าขยะแขยงน่ากลัวไม่ไม่น่าจะเข้าใกล้วาจาก็หยาบคายการกระทาก็ก้าวร้าวสร้างความเสียหายหเดือดรอ้อนให้แก่ผู้ การมีสตินี้เป็นการรักษาคุณคุณสมบัติคุณภาพของเรามไม่ให้ไม่ไม่ให้ตกต่ำถ้าไม่มีสติแล้วคุณสมบัติของเราจะตกต่ำจากคนดีก็อาจจะกลายเป็นคนไม่ดีได้เพราะฉะนั้นพยายามฝึกสติอยู่บ่อยๆการฝึกสตินี้ก็สามารถทำได้ตลอดเวลาง่ายๆเพียงหยุดคิดใช้พุโทโธคอยอยู่ความคิดเทัานี้ลืมตาขึ้นมา เกิด ข, น, ขนมาป้ากับพูดโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดเพราะเดี๋ยวคิดแล้วมันก็จะไปคิดในทางที่ไม่ดี<ม>ถ้าหยุดคิดแล้วมันก็จะไม่มันก็จะไม่คิดไปในทางที่ไม่ดีแล้วมันก็จะทําให้ใจเราเย็นใจเราสบายมไม่วุ่นวายไม่หิวโหยไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร<ม>อยู่ก็อยู่เฉยๆได้มไม่เดือดร้อน<ม>แต่ถ้าปล่อยให้มันคิดแล้วมันจะคิโอยต้องต้องมีสิ่งนั้นต้องมีสิ่งนี้ ไม่มีแล้วเราจะด้อยกับเขาสู้เขาไม่ได้อะไรต่างๆขึ้นมามันก็จะทําให้เราต้องไปดิ้นรนไปหาสิ่งต่างๆมามันก็ไม่ได้มาแก้กความด้อยของเราหรอกความด้อยของเราอยู่ที่การไม่มีสติการไม่มีการกระทําความที่ที่ดีการกระทําที่ไม่เสียหายหต่อผู้อื่นอันนี้แหละเป็นเป็นสิ่งที่จะทําให้เราดีให้เราเด่นไม่ใช่อยู่ที่ว่าเรามีมีไอ้นั่นหรือไม่มีไอ้นั่นนะการมีอะไรไม่ได้ทําให้เราดีขึ้นแร้อเร็วลง แต่การกระทําของเรานี่แหละที่จะทําให้เราดีขึ้นเและเลวลงได้ดังั้นพยายามรักษาการกระทําของเราให้ทําแต่สิ่งที่ดีอย่าไปทําในสิ่งที่ไม่ดีกาทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันจะทําให้เราเลวลงเป็นคนเลวไปคนไม่ดีไปไม่มีใครเขาอยากจะชมเราว่าเราเป็นคนดีถ้าเราไปลักทรัพย์ของผู้อื่นถ้าเราไปทำร้ายผู้อื่นนี่ไม่มีใครจะมาบอกว่าเราเป็นคนดีได้เพราะความจริงมันปรากฏว่ามันเป็นมันสิ่งที่ไม่ดี พระเจ้าถึงบอกว่าคนเราจะดีจะชั่วไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่ไม่ได้อยู่ที่นามสกุลไม่ได้อยู่ที่ชื่ออยู่ที่การกระทําของเราคนชื่อดีไปติดคุกก็เยอะแยะคนชื่อดีชื่อบุญไปติดคุกก็มีเยอะแยะไปเพราะว่ามันชื่อชื่อดีแต่การกระทําไม่ดีเพราะฉะนั้นให้ดูที่การกระทําของเราดีชั่วอยู่ที่การกระทําของเรา ทำดีใครจะไม่ใครจะไม่ชมเรายกย่องเราว่าดีเราก็ดีของเราอยู่นั่นแหละทำเชื่อใครจะมายกย่องว่าเร า, เราดียังไงมันก็ช่วยอย่งั้นมันเปลี่ยนไปไม่ได้จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนที่การกระทําของเราเท่านั้นเอง คำถามจากคุณศัทธาแห่งพุทธะค่ะผมนั่งสมาธิแล้วรู้สึกตัวเบาแบบนี้มาถูกทางไหมครับถูกต้องไหมครับถูกต้องเข้าใจเบามันก็จะรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นมาร่างกายไม่ได้เบาขึ้นหรอกน้ําหนักไม่ได้ลดจากการนั่งสมาธิแต่ใจที่ไม่เคยหนักอกหนักใจมันจะเบาขึ้นเพราะมันปล่อยวางมันลืมเรื่องที่ทําให้เราหนักอกหนักใจที่เราหนักอกหนักใจกับครอบครัวกับสามีกับภรรยากับลูกกับการเงินการทอง พอเรามทำใจให้ไม no so ่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้ได้ใจเราก็จะเบาขึ้นมาเย็นสบายขึ้นมาเพรนั้นทำไปพยายามทำใจให้เบาอย่าไปคิดยิ่งคิดยิ่งทุกข์ยิ่งหนักอกหนักใจลดความคิดได้ความหนักอกหนักใจก็จะน้อยลงไปตามลําดับยังไม่มีคําถามอะไรนะมีไหมคุณตายแล้วหากคุณตายเชิญนั่งนั่นจะส่งไมไปฮะ น้องกราบนมัส ก, การพระอาจารย์เจ้าคะ่ะพอดีอหนูจะเป็นเรื่องเล่าอนะคะก็คือเมื่อเช้านี้หนูไปนั่งสมาธิรวมกลุ่มกับวัดอื่นนะคะก็หนึ่งชั่วโมงปกติหนึ่งชั่วโมงเนี่ยหนูจะนั่งไม่ได้เลยก็จะต้องขยับหนึ่งท่าถึงจะครบนะคะแต่วันนี้หนูไปนั่งกับกลุ่มแล้วพอถึงเวลามันเกิดเวทานาขึ้นมาค่ะพระอาจารย์มันก็เจ็บมันก็ปวดแต่หนูก็เตือนสติหรือว่า โทษนะคะไอ้หนูก็บอกตัวเองว่าให้สิทธิ์มีครูนะห้ามขยับนะขยับอายเขานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็พุดโธพุดโธแข่งกับมันเวทนาหนูก็หายไปแล้วมันก็เรียบๆอะคะ่ะอาจารย์มันหายเจ็บแต่ว่ามันมันก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนะคะหนูก็รู้สึกดีใจที่ว่าเออเราเสามารถพุโทโธจนถึงหนึ่งชั่วโมงโดยไม่เกินน้าลายแล้วก็เวทนาที่เจ็บก็ผ่านไปได้ด้วยดีภายในหนึ่งชั่วโมง แต่หนูมานั่งหน้ากุดนะคะพระอาจารย์มันก็ขยับสองท้างเหมือนเดิมอันนี้เพราะอะไรคะสติหนูเพราะว่าเราอยู่ในที่ที่เราถูกบังคับให้นั่งเฉยๆถ้าเราไม่นั่งเฉยๆเราก็อายเขานไปขยับเขยับก็า <c oughs> อ า, ายเขาเราก็ไม่อยากจะอายไม่อยากจะทําตัวเราให้ด้อยกับเขาเราก็เลยต้องบังคับตัวเรามากขึ้นในเบือ้องต้นสําหรับคนที่ยังไม่สามารถที่จะบังคับตัวเองได้ก็ต้องอาศัยให้คนอื่นเข้าบังคับเราก่อน อาแต่มันเบรณาของหนูนี่มันหายไปมันแบบว่านิ่งเรียบเลยดีมากเลยค่ะเพราะเรามีสติเราอยู่กับสติเราไม่ได้อยู่กับร่างกายเราไม่ได้อยู่อยากจขับอยากจะขยับอยากจะกลืนน้าลายอะไรอย่างนี้มันไม่ทิ้งไปหมดเลยมันอยู่กับมันมีสติอยู่กับพุทโธแล้วอยู่กับอารมณ์ที่เราใช้อย่างเดียวมันก็เลยทําให้ใจเรานิ่งพอนื่องแล้วทุกอย่างก็เบาไปหมดเย็นไปหมดสบายไปห ใช่ค่ะพอหมดหนึ่งชั่วโมงปุ๊บขาหนูไม่เจ็บเลยอแล้วอย่างนี้ถ้าหนูจะมานั่งหน้ากุศลพระอาจารย์แล้วหนูจะเอาอะไรบังคับใจอะคะพระอาจารย์หลับตาแล้วก็ฟังเสียงเทศไปแล้วก็บอกว่าผไม่มีใครมองเราแต่เราตัวเรามองตัวเราเองอยู่เราต้องอายตัวเราเองใช่ค่ะ <c oughs> ขอบคุณครับพระอาจารย์ถ้ายังทําไม่ได้ก็ไปฝึกกับคนอื่นก่อนก็ได้ฝึกแบบนั้นไปก่อน เป็นกสติมีกําลังมากขึ้นจกนกระทั่งสามารถบังคับมันได้ด้วยตัวเองก็ไม่ต้องไปนั่งกับคนอื่นก็ได้คําถามจากทางหน้ากุดค่ะมีลูกดื้อเกิดจากการเลี้ยงดูหรือเกิดจากกรรมเก่าเจ้าค้าและจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าค้าะความดื้อมันเป็นนิสัยเดิมติดตัวเข้ามาเราไม่ได้ให้ความดื้อกับเขาเว า, วาดื้อของเขาไป ไม่มีราคาคแต่เราก็พยายามสอนเขาไม่ให้ดื้อได้บางครั้งอาจจะลงโทษเขาหน่อยเป็นดื้อแล้วก็ไม่ให้ข้าขนมนะไม่ให้เล่นเกมนะหรืออะไรทำให้เขาเห็นโทษของความความดื้อของเขาแล้วเาก็อาจจะพยายามจะไม่ดื้อต่อไปก็ได้อันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่เราสามารถช่วยเขาได้ในการฝึกฝนอบรมบังคับเขา เด็กดื้อบางคนถ้าเราบังคับเขาไม่ได้ก็ส่งไปโรงเรียนกินนอนเดี๋ยวก็หายดื้อพอไปอยู่โรงเรียนกินนอนดูไม่ได้เขาไปอยู่กับกลุ่มคนหนึ่เขาไม่ดื้อเราไปดื้อคนเดียวมันก็ดื้อไม่ได้มันก็ต้องอาศัยกลุ่มเป็นผู้คอยช่วยสนับสนุนบังคับเขาให้อยู่ในกรอบในรอยของความดีงามความถูกต้องต่างๆอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ถ้ารู้ว่าลูกดื้อต้องอย่าตามใจลูกต้องหามาตรการแก้ความดื้อของเขา ถ้าเราทําเองไม่ได้ก็ไปส่งไปส่งไปเรียนโรงเรียนกินนอนอยู่หรือเวลาปิดเทอมก็จับบวชเน้นนะอย่าให้มันอยู่บ้านอย่าตะยาวใจลูกส่วนหนึ่งที่ทําให้ลูกดื้พราพ่ อ, พอแม่เอาใจพ่อแม่ใจอ่อนพ่อลูกจะทําอะไรก็อ่ะทําไปถ้าไม่ฟังก็อ่ะไม่เป็นไรลูกก็เลยได้ใจอย่าอย่าตามใจลูกนะ ตามใจลูกถึงแม้เขาจะได้ความสุขในในขั้นต้นแต่ก็จะได้นิสัยที่ไม่ดีไปแล้วจะทําให้เขาเสียหายต่อไปได้ใน่นอนคนุณพ่อแม่ต้องต้องเข้มแข็งต้องกล้าทําให้ลูกไม่พอใจต้องกล้าทําให้ลูกเสียใจกล้าทําให้ลูกทุกข์ใจบ้างเพื่อเป็นการสอนให้เขารู้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้ ชีวิตไม่ใช่เป็นเกยกุลาเกย์กุากา mm hmm. ลาโดยตามทางไปเสมอบางทีก็เจอขวกักหนาเจอของยากลําบากถ้า mm hmm. เราไม่ฝึกเขาไว้ก่อนเวลาเขาไปเจอของทุกข์ยากลําบากเขาจะไม่รู้จักวิธีแก้ที่ถูกต้องเขาก็อาจจะไปแก้ด้วยวิธีผิด mm hmm. ทําบาปทําอะไรไปก็ได้ mm hmm. แต่ถ้าเราสอนให้เขารู้จักวิธีแก้ด้วยความเข้มแข็งด้วยความอดทน mm hmm. ต่อไปเวลาเขาเจออุปสรรคต่างๆเขาใช้ความอดทนความเข้มแข็งล้วฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆความทุกข์ยากลำบากต่างๆไม่ได้อันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ต้องต้องคอยสอนต้องคอยฝึกลูก คำถามจากคุณจรัญญาค่ะโยมพิจรารณาเห็นว่าใต้ผิวหนังนี้ไม่มีอะไรสวยเลยมีเลือดน้ำเหลืองอาหารที่ย่อยแล้วตับไตต่างๆสกรปรกมากค่ะไม่สวยงามควรพิจรารณาอย่างนี้เรื่อยๆใช่ไหมคะก็พิพจรารณาจนกระทั่งมันจําได้เวลาเห็นร่างกายของเราหรือของใครก็ตามก็ต้องเห็นส่วนภายในภายใต้ผิวหนังด้วยถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้ว การมีความการมีการอารมณ์มันจะไม่ค่อยเกิดแต่จะไม่เห็นใครหน้าดูหน้าชมเมื่อไม่เห็นว่าหน้าดูหน้าชมการที่อยากจะร่วมการือเขามันก็จะไม่เกิดแต่ถ้าเราไม่คิดถึงภายในมองแต่ภายนอกที่เขาปรุงแต่งเขาจัดการให้ดูหน้าดูหน้าชมขึ้นมาพอาเห็นมันก็เกิดการอารมณ์ขึ้นมาได้ ถ้าเราเป็นนักบวชหรือเป็นผู้ที่ถือศีลแปดขึ้นไปนี้เราต้องอาศัยการพิจารณาร่างกายความไม่สวยงามของร่างกายเพื่อคอยระงับการอารมณ์ไว้ถ้าเราไม่มีการดูส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายแล้วเวลาเกิดการอารมณ์เราจะทนรักษาศีลต่อไปไม่ได้เราก็จะทําผิดศีลได้ไ ม, ไม่มีแล้วนะมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมเพราะไม่มีเดี๋ยวจะเลิกกันนะ